เมื่อข้าพระเจ้ากาับพระเจ้ขาขเาไดสิทธิ์การกระทำ่นว่าที่ต้องการจะลบปูนว่าท่านมาดำเนินกายแก้แหลังจะรู้สึกสะดุ้มนั้นหมายวาว่ายังไงเจ้าคะท่านว่าท่านมนเตือนให้พา้าพระเจ้าจับตัวสิงรวมแก้ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ให้ทงตัวจะทาให้ขรรค์การฝึกฟ้องเพิ่กว่านี้ ข้าเจ้าขึ้นมาดทชั้พรหมเห็นสถานที่ก็ดูเป็นสุขแต่มั่มาเทียบกับพรนิพพานแล้วชั้นพรหมนี่เหมือนกับว่ายังมีอะไรถี่ถ่วุ่นวุ่นอยูนน่นิดนิแต่ก็เบาจนทีเหมือนยังมีงานอะไรบางอย่างจะต้องทํากันจิตตอนนั้นบอกว่ากองทุกองยังมีอะไรให้ต้องติกต้องกับการกันบางอย่างส่วนพระนิพพานนั้นหมดกิตจริงๆ ลักษณะบญญณะรรยากาศโดยโปร่งเบากว่ากันมากไม่มีการรับหน้าที่ไม่มีการตั้งหน้าที่น่กทึกษาท่านจะโปลดสงเคราะห์ให้เองทุกองค์เป็นอิสระแก่กันและกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่สุดที่เด็กอย่งข้าพเจ้าจะไปรู้ได้คือรู้สึกว่าบนแดนพระนิพพานนี่เป็นวิมานของหลวงพ่อใหญ่กว่าที่ทุกหลังและมีลักษณะแตกกว่า เหมือนกับว่าท่านมีบารมีมากกว่าทุกองค์บนนั้นแต่จะเก็บค่าอย่างไรพระพเจ้าขอพามาด้วยเพราะรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนที่ขึ้นไปเห็นขราพเจ้าขึ้นมากราบหลวงพ่อที่วิมานท่านเห็นท่านทรงดวรเลยกราบขอท่านโดยเต็มองค์เพื่อเป็นการสอบสิดตัวเองด้วยว่าจะรับได้ไหม ก็เห็นท่านดูหนุ่มสวยงามมากได้ยินท่านว่าแต่แกชอบเห็นท่านเป็นพระหัวร้านมากกว่าไม่ใช่หรือเหมือนท่านรู้ใจข้าพเจ้าไม่ตอบท่านนั่งบิดไปบิดมากระยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็รู้สึกอายหลวงพ่อเวลาท่านล้อเล่นแต่พอท่านเตือนอะไรนิดอะไรหน่อยก็กลัวหัวหดเลยเหมือนกับว่าโดนดุใช่มากมายเป็นปกติเป็นอย่างนั้น อท่านพูดจบก็เห็นท่านเป็นแบบพระพิสุอย่างเดิมตัวเองก็รู้สึกกล้าพูดกล้าคุยมากกว่าที่จะเห็นท่านเป็นพระองค์อย่างสวยๆอย่างนั้นกราบถามท่านว่าหนูจะต้องอยู่ต่อจากสี่สิบสองอีกไหมเจ้าคะท่านว่าท่านจะศึกษาพระพุทธกัจจศท่านดแูและแต่ท่านนะลูกนะหลวงพ่ พูดจบก็เห็นพระพุทธกระสอบท่านเสด็จมาที่วิมานหลวงพ่อด้วยท่านว่าอยู่ไปเป็นประโยชน์นะที่เจอกัอีกไม่นานท่าจะมาก็มาได้แต่อยากให้อยู่ช่วยไปอีกหน่อยข้าพเจ้าจึงกราบเรียนท่านว่าสึกแล้วแต่พระองค์ท่านเพราะรู้สึกเหมือนได้เป็นการสนองพระคุณพระองค์ท่านและหลวงพ่อด้วย ตอนนั้นดูกำลังใจตัวเองมันมีมากไม่หม่วงว่าจะตายเมื่อไร่ทั้งๆที่ ท, ทีแรกอยากจะตายเร็วๆข้าพเจ้ากราบกลาท่านมาก่อนรู้สึกท่านจะคุยอะไรกับหลวงพ่อก่อนจะออกจากวิมานหลวงพ่อกําลังจะไปดูของตัวเองรู้สึกว่าเห็นอยู่ไกลๆทูล ถ, ถามพระพุทธเกษตท่านว่าวิมานหนูไม่เห็นอยู่ใกลห้หลวงพ่อเลย ท่านยิ้มอย่างเมตตาเมื่อเห็นลูกติดพ่อข้ามกรรมพันท่านว่าบนนี้ไม่มีไกลเมื่อถึงวันนั้นแล้วจะได้สมใจจารถนาถามท่านว่าอยากเห็นหลวงพ่อที่ฮ่องกงท่านก็ให้เห็นท่านให้เห็นว่าร่างกายของหลวงพ่อเป็นพระอยู่ที่ฮ่องกงแต่ขณะเดียวกันกายแผวพขาของท่านก็อยู่บนนี้มานด้วย ท่านว่าแกต้องเอาอย่างพ่อเขาทางโลกเราก็ช่วยไปเราที่จะขึ้นมาก็ขึ้นมาได้ท่านตรัสเท่านี้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่วิตกเลยว่าจะอยู่จนงอมตะกฤฤีปีก็ได้ก็จะอยู่ได้ถ้าทําประโยชน์ให้กับโลกได้เต็มที่สุดท้ายกรบาบถามท่านว่าลูกขอถามถึงพี่พและเพื่อนเพื่อนที่ปฏิบัติกันด้วย ื่อหลายคนกังวลในการฝึกวิธีนี้มากท่านว่าไปบอกเขาว่าถ้าจะไปโดยไม่พลาดต้องใช้เวลาหน่อยเพราะไม่ได้ฝึกฝนมาก่อนคนใดที่ปฏิบัติตามคำหลวงพ่อได้แน่ทุกคนระหว่างนี้หลังจากนั้นก็รู้สึกเหมือนกำเพิ่มหลับนายไปจิตคงตกมาอยู่แค่อุปจารสมาธิก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนพูดคุยกันหนุนห แต่จับไม่ได้ว่าเป็นคำอะไรคล้ายๆมีคนมาคุยข้างๆพอได้สติเตือนตัวว่าถ้าจะหลับในก็เลยจะขอเอาจากสมาธิดีกว่าแต่ก่อนขอขอออกขอทรงจิตให้มั่นกราบสมเด็จองปัจจุบันก่อนกลาบสเสร็จยังไม่อยากลืมตาว่าจะนั่งเฉยๆสักครู่ค่อยลืมตาก็จะกฏเป็นแสงสว่างโ ร, รงตรงหน้า ถามตัวเองว่านี่มันที่ไหนก็รู้สึกว่าที่ใกล้ๆที่มีภาพพระในห้องเรานี่เองตรงหน้าเรานี่แหละภาพพระค่อยๆชัดขึ้นรู้ว่าเป็นองค์พระพุทธกส่งท่าประทักยืนเห็นพระพักได้มีลายสมัยท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธชินราชในขณะนั้นพระพเจ้าก็มีความรู้สึกว่าเป็นองค์ท่านด้วยอต่ไหนแต่ใดมาข้าพเจ้าก็เห็นภาพในสมาธิครั้งแรกเป็นองค์พระพุทธชินราช ละ้รับเพ่งเป็นกระสิให้จำติดตามันนานแล้วพู้สึกจะจำได้ง่ายกว่าปางอื่นวันจันท์ที่ห้าเรียนเจ็ดข้ามเดีนเก้าพิมเสครับเจ้าขึ้นไปกราบหลายหลายองค์จะขอบันทึกเป็นเรียงตามไปที่ไปกราบดังนี้สมเด็จองค์ปถมท่านตรัสว่า เป็นยังไงลูกใช้ปัญญาพิจารณาดูนะตัดความสงสัยเสี้ยทุกอย่างเป็นของแท้ท่านแม่จิตว่าลูกจะต้องได้ทําประโยชน์อีกมากพอมากราท่านแม่สีท่านแม่สีก็เตือนว่าขึ้นชื่อว่าความดีแล้วอย่า ก, กลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความชั่วใช้ได้แล้วไม่เสียแรงสปนาน ท่านแม่สีใหญ่คือท่านย่าใหญ่ท่านตรัสว่าต่อไปนี้เจ้าจะได้สร้างกุศลเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆไม่มีการลดแล้วท่านปลูกพระอินท์ท่านบอกว่าที่เห็นเป็นวอนะที่นอนชั้นจิตไม่สายเต็มที่ก็เห็นเป็นอย่างนั้นวันนี้ท่านให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นว่ากว้างขวางกว่าลักษณะเดิมมาก มัเป็นเหมือนหมอก็จริงแต่ว่ามันกว้างกว้างใหญ่เหมือนปราศาสตรมากกว่าท่านท้าเวสสุวัรณถามท่านว่ามีดหมอที่ถือเช่ามานั้นวางอยู่บนพานอย่างนั้นถูกต้องหรือเปล่าท่านว่าไว้บนที่บนชาแล้วเป็นใช้ได้ท่านหลวงพุทธขอท่านดูอาจารย์ท้าบมณีใหม่ที่ข้าพระเจ้าเคยฝึกกับท่านมาก่อนก่อนจะพวบสงพ่อ แต่ก็ไปสงสัยในวิธีการปฏิบัติอะไรที่มาเสียก่อนท่านเพิ่งจะตายเมื่อวานนี้เองขอท่านแล้วก็ปรากฏให้เห็นว่าเองอยู่ลุ่งกางเกงสิเกียเสื้อสีขาวยืนทำหน้าไม่สบายนะพอเห็นข้าพเจ้าได้ยินท่านว่ารับทนมืช่วยทันทีข้าพเจ้าขอหลวงพุทธท่านอย่าให้อาจารย์ได้รับโทษเลยด้วยการขออุทิศ กุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํามาแล้วแต่ชาติก่อนจนถึงปัจจุบันอุทิศตามแบบที่หลวงพ่อสอนเงินพูธทำเสีนหน้าเฉยเฉยข้าพเจ้าคิดว่าอาจารย์จะมีความไม่ดีอย่างไรนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ท่านก็เป็นผู้มีเกีคุณสําหรับข้าพเจ้าอย่างน้อยข้าพเจ้าก็รับนิ ส, ยสัยจากอาจารย์ทับทั้งร่มถือศีลห้ามาตั้งแต่บัดนั้น อาจเป็นด้วยพรของท่านย่าที่ให้ไว้ก็เป็นได้ทําให้หลวงพุทธท่านไม่ว่าอะไรในข้อที่ว่าให้มีความกระตันดูเป็นเลิกผูท้ที่จะตอบสนองพรคุณแก่ผู้ใดแล้วก็จะต้องทําได้อย่างเป็นที่เท่าที่ใจต้องการอาจารย์ทักสารภาพว่าได้ทําตนไม่สมกับเป็นที่เคารพของลูกศิษย์และปฏิบัติไปไม่ใช่เพื่อให้หลุดพ้นเป็นการ ปฏิบัติต่ในด้านถือความวิเศษมากกว่าข้าพเจ้าฟังแล้วก็สลดใจซึ่งอธิษฐานขอบุญกุศลจงเป็นผลให้อาจารย์ท่านไปสู่สุคติเถิดระหว่างรอคำตัดสินนี้คิดท่า น, นั้นก็เห็นว่าร่างกายท่านสวยขึ้นมากกว่าเก่าหลวงพุทธว่าให้ไปอยู่ชั้นจาตุเราดูว่าจะสร้างบารมีขั้นอีกไหม กราบลหลวงพุทธท่านมาแล้วคราวนี้เห็นท่านยุ้มด้วยข้าพระเจ้าตรองมาที่พระจุลมณีมากราบหลวงปู่ปานหลงปลู่ปานท่านว่าเธอเป็นสายหนึ่งของท่านต่อไปนี้เธอจะได้สงเคราะห์คนเพิ่มขึ้นทําตนให้เป็นตัวอย่างข้าวยามธนงตนถามท่านว่าบารมีสุดของหนูตอนนี้บกพร่องข้อไหนบ้างเจ้าคะท่านว่า ค่อยๆไปนั่งนะรักษาอารมณ์นี้ให้ทรงไว้การใดทุกอย่างตั้งใจไว้เลยว่าจะทำเพื่อการสงเคราะห์ถ้าพเจ้ า, มาเมื่อกราบสมเด็จองพระพุทธกัดสุท่านจา ก, กดให้เห็นเป็นข้าพิสุทรูปงามพระพักท่านยิ้มสวยบอกไม่ถูกท่านว่าหลวงพ่อยิ้มของพ่อเธอคือท่านเอง พระเจ้าก็พิมิตพระพักษาหัตถ์และพระวรากายสมจริงบางที่หลวงพ่อพูดไว้ะพารังสีสรเป็นสีทองประกายเาพ็รพาดนี้เคยเห็นท่านครั้งหนึ่งที่บ้านท่านเจ้ากลมตอนหลวงพ่อบูนสวงสัก6เดือนที่แล้วมาแต่ตอนนั้นมันไม่แน่ใจว่าจะเป็นองค์ท่านคิดว่าเราลึกตปเอง แต่เห็นว่าท่านเสด็จมาจากทางปากประตูตรงที่ติดม่านขาวไว้และท่านตรงมาทางหลวงพ่อข้าพเจ้าขึ้นไปกราบหลวงพ่อท่านว่าเมื่อถึงเวลาใกล้สิบสองแล้วเธอเจะรู้เองว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้เห็นหลวงพ่อเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งความรู้สึกตอนเข้าไปกราบและดูแลคําพูดของท่านท่านว่าเธออาจต้องตายแล้วเกิดใหม่เหมือนฉัน ถานท่านว่าหนูเห็นหลวงพ่อที่ฮ่องกงไม่ทั่วเลยพ่ยังไม่ต้องใช่ไหมเจ้าค่ะท่านว่าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเธอจะเกิดความํานานขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกท่านให้ดูหอระคังเห็นระคังใบกําลังดีไม่ใหญ่ามากใสเป็นแล้วขอเข้าไปยืนก็รู้สึกมีลมพัดเย็นสบาย เมือนอาคังกว่างเล็น้อยได้ยินเสียงกุงกริ้งสบายใจดีจริงๆท่านเมตตาให้ได้เห็นได้รู้รสของความสุขในแดนพระ น, นิพพานโดยเฉพาะที่วิมานของท่านวิมานของท่านอื่นๆเข้าไปเจ้าไม่ค่อยกล้าเข้าไปเดินชมสุนทรีสุนท่าแต่ของหลวงพ่อนี่สิตมันบอกว่าท่านอนุญาตรายหานมองโน่นมองนี่เรื่อยไปสักครู่หลวงพ่อว่าไปดูวิมานเธอสิ วันนี้เห็นบ้านรองสวยเหมือนการดูแพลวคาวขึ้นเตียงนอนก็สายเป็นแก้วแต่ไม่ใช่แก้วกรึ้เครึ่งเหมนเป็นลวดลายละเอียดละเอียดคล้ายพวกลายกหนกอะไรอย่างนั้นดูเหมือนเ บ, บางคิดว่าถ้าขึ้นไปนอนไม่รู้จะทาน้ำหนักไหวไหมคิดแค่นั้นก็เห็นฟอขึ้นไปครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนนั้นใช้แล้วไม่เห็นว่ามันจะเกาะตรงไหนเลย แถมกายที่อยู่บนหน้นึ่งสวยซะอีกด้วยเหมือนสาวอายุสิบปดหน้าตาหวานสวยไม่เบิกเบิกบุบ่บาหตัวตัวจริงๆเลยแต่ใจอยู่ในที่ตอนจะเข้ามาเราเห็นตัวเราเหมือนตัวพระมากกว่าแต่พอไปนั่งบนเตียงกายเป็นตัวนางไปได้แต่ที่รู้ว่าเป็นตัวเราก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านเราเลยนอกจากเราคนเดียวนั่งมองตัวเองอยู่นึกว่า วันนี้มีแต่สิ่งที่เป็นที่สุดของความดีความงามเลยกลายบนนี้รับกับสถานที่บนนั้นฉันใดกายขันห้าอันโสโรก็รับกับโรคอันโสมมงขันนั้นคิดไปคิดมาแล้วก็ให้เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์โรคเป็นทุกข์ไปเลยมากราบท่านแม่พิสมพรพอกราบเสร็จท่านว่าเธอช่วยลูกฉันได้เหมือนกันนะ ท่านหมายถึงช่วยอาสามากราบถามให้อันนี้บอกไม่ถึงก็เป็นใจอาสาถามให้เองเพราะอะไรท่านว่านั่นน้องเธอบอกเขาว่าไม่นานจะได้เห็นท่านขยันเข้าอย่างงอแงกับหลวงพ่อมากนะท่านสงเคราะห์ให้มากแล้วทำให้ท่านสบายใจก็เป็นกุศลของตัวข้าพุทเจ้ามากราบท่านอย่นีภาวดี กบถามท่านว่าหนูคิดว่าคุณหญิงสุวรรณาภาคงอยากฝากถามถึงท่านหญิงจะโปรดร้องขออะไรถึงเธอบ้างไหมท่านหญิงให้บอกว่าเราบอกพี่ย่องว่าพี่ย่องใกล้จะมาอยู่กับหญิงแล้วที่พี่ย่องนึกถึงอยู่แล้วการกระทำของพี่ย่องเป็นตัวตนทั้งสิน้นถ้ายังไม่เห็นองค์ของหญิงก็อย่าเสียใจข้าพ เ, เจ้าจะกราบ สเมเด็จองปัจจุบันมากราบท่านก็พอดีเห็นท่านแม่จิดมาด้วยท่านว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะท่านหันไปตรัสกับท่านแม่ว่าลูกเข้าจะหนีแล้วท่านแม่ว่าเหมือนท่านดีใจด้วยจ้ะค่ะแต่ยังห่วงอยู่อีกคนท่านว่าอย่างนั้นแต่พอจะถามว่าใครก็ไม่มีคําตอบเลยคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราควรจะรู้ วันอังคานที่หกแปดข้ามเดือนเก้าวันนี้เป็นวันพระแต่เราได้แค่สิ้นขาดแค่ช่วงกลางคืนเพราะตอนเย็นลูกเกิดบร้องไห้เป็นพิเศษถ้าแม่ไม่ยอมกินข้าวเย็นด้วยคิดว่าไม่เป็นไรสิ้นไม่ขาดแต่ถึงไม่ขาดก็รู้สึกว่าแหวงแหวงไปหน่อยเพราะโศการกินข้าวเย็นก็เกิดไม่เป็นอุทาหรณ์ทันที ปกติสองทุ่ม น, นี้เราจะรู้สึกกระปรี้กระเป่ากำลังใจดีในการทำสมาธิแต่วันนี้ชักตึ ง, ตงตึงง่วงๆนิดๆในกำหนดนิดๆเกษมและทาวนาไปตกเดิกหน่อยลูกยิ่งควรหนักประกอบกับเราง่วงด้วยเล่านิทานให้ฟังก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ยอมหลับวันนี้เลยถึงต้องทะเละกับลูก คมกลัวกระสินจะหาไปถ้าเรามีโทสะตีลูง ไ, ไปก็นึกถึงกระสินไปเห็นยังสุขสว่างก็ยังไม่ถึงกับเสียกําลังใจนะักแต่ก็มานึกว่าเราเลวใช้แล้วที่ฝ่ายให้มีโทสะแต่ถ้าเราไม่ดูแกตามใจกแก ก, ก็กลัวจะเสียไปอีกนึก ไ, ไปนไึกมาขอกําหนดกระสินไปจนหลับวันพุธที่เจ็ด วันนี้ตื่นตีสี่คึ่งสวดมนต์ไหว้พระแล้วนึกถึงความเรวของตัวพอเพิ่มประกาศสมเด็จองประถมท่านรตรัส ว, ว่าจะไม่บอกว่าดีหรือชั่วให้เราไปคิดเองแต่เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปอย่ากเก็บมาเป็นสิ่งกังวลใจจิตใจหมองมาหาท่านแม่วันนี้ท่านรอนอยู่ก่อนแล้วท่านบอกใจว่าไม่ใช่ความผิดหนักหนาอะไรทําไมไม่พิจรารณาขันห้า ทีแรกท่านให้ลืมไปเชี้ตอนหลังท่านสั่งให้บันทึกไว้เตือนตนว่าลักษณะอย่างนี้จะทำให้จิหมองได้ท่านพามากราบท่านแม่สีตอนมาที่นี่ไม่ทราบใครมาเลาะเรื่องราขาดการพิจารณาอาหารในปจิกรรษัญญาเมื่อเย็นวานครอลูกเลาให้นั่งฐานข้าด้วยนั่นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าขณะเอาทานไปพิจารณาไปด้วยก็เท่ากับได้กาไร ที่ทําอย่างเมื่อวานนี้เท่ากับขาดทุนโดยแล้ววันนี้เรามีความรู้สึกไม่กล้าไปเที่ยวไหนว่ามากราบหลวงพ่อแล้วจะกลับมาถึงหลวงพ่อท่านเฉยๆไม่ดุแต่ก็ไม่ยิ้มท่านี้ที่เรากลัวนักกลัวหนอะท่านว่าวันนี้เป็นการทําโทษไม่สอนไม่ต้องไปเที่ยวไหนวันนี้ให้สมุดัวสูนให้ทรงตลอดวัน ข้าพเจ้าก็รับคำไม่เสียใจก็คิดว่าโทษอันนี้ยังน้อยไปสำหรับจุที่เรวของข้าพเจ้ากราบพระพุทธกระสำหรดบความปรจจบัจบนแล้วก็กลับพลึนตามองดูรูปสองพ่อและหลวงปู่บนที่บูชาเห็นท่านไม่ดุเลยไม่เสียกำลังใจเท่าใดนะักวันเสาวที่สิบแรด12ดสองค่ำ ภสมเด็จแล้ววันนี้เห็นพระวรกายท่านเม่สุสว่างเหมือนเคยจึงขอจบมิมิจกสินใหม่ถอยออกมาใหม่จนจุดทรงจันทสายแล้วจึงเห็นขอเห็นท่านวันนี้ครานี้ก็เลยเห็นแผวคาวเป็นพระองค์ขออนุญาตท่านมาศึกษาในแดนนี้ตั้งต่อเทพทรงและพระนิพพานพอท่านอนุญาตแล้วจึงลงมาหาท่านแม่ ท่านแม่สิดเตือนว่าสังคารหนุนพ่อเป็นทีมากท่านสอนอะไรเรียนให้หมดลูกเรียมได้เนย่าท้อถอยทำกำลังใจให้มั่นก่อนกลับท่านเอาดอกไม้เหมือนแก้วบางบๆตัวๆทัดถูถให้ดูปริยาท่านอ่อนหวานมาการะเจ้ากรกลับแม่สุิ ท่านท่านเนิมตาให้กำลังใจว่าใช้ได้แล้วก็ลงมาหาท่านแม่สุวรรณท่านว่ามีดหมอหน่ะอยู่วลายแล้วจรู้เองว่าจะใช้ได้เมื่อไรแต่ตอนนี้ยังไม่อยู่อะไรก็ไเสอบถามถึงคนไข้ที่โรงพยาบาลคนหนึ่งเขาเล่าว่าถูกผีตายหงผู้หญิงเข้าไม่ได้ไล่ผีออก ก็เราต้องแขวนพระไว้ที่พอมาตรวจหัวใจที่ห้องนุ๊กกลัวรักษาโรคนุกว่าคาถารักษาโรคให้เขาแล้วแต่ขณะว่าคาถาตัวเองก็ขนลุกึสักพักถามท่านว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรท่านว่ามันยังอยู่และท่านมาเราจรึงรับสัมผัสรู้สึกว่ามันไม่ใช่เล่นเหมือนกันเราอาจทางถ้าและเสร็จมันแน่ถ้าท่านจึงมาช่วย ท่นเรียว่าลูกจะได้พบกับคนไข้คนนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าพบก็ช่วยเข้าไปตามนั้นวันที่บันทึกในสมุดนี่มันเป็ น, ปนวันเสาร์ที่สิบหลังจากนั้นพระพเจ้าก็ไม่ได้พบคนไข้คนนี้อีกเลยสอบถามก็ได้ข่าวว่าเขากลับไปแล้วก็เลยคิดว่าเขาคงหายแล้วแต่วันที่มาบันทึกเทศวันนี้เป็นวันที่สามสิบ สามสิบกันยายนเมื่อวานี้เองวันที่ยี่สิบเก้านี้เองที่เข้ามาที่ห้องข้าพเจ้าอีกพอเห็นทันข้าพเจ้าก็สะดุ้งทันทีคือนึกถึงคำท่านแวกขึ้นมาว่าเขากลับมาอีกเป็นได้คราวนี้เข้ามาตรวจเรื่องอื่นข้าพเจ้าก็เลยใช้สาถานั้นช่วยเขาไปด้วย พอดีบันทึกมาถึงวันนี้ก็มีเรื่องเมื่อวานมายืนยันให้ทันทีต่อจากข้าพ้ากราบพระเวทแล้วพเจ้าก็ขอพบท่านทั้งสี่จะขอถวายตัวอะไรทุ่งนอง น, นั้นก็เห็นท่านยืเดินอย่งกันกราบท่านทุกกองถามพระนามท่านเดีไปดังนี้คือท่านถท้าเวสุวรรท่านท้าวิลุณหกวิรุมตา แต่องค์ที่สี่นี่ข้าพเจ้าไม่จําชื่อท่านไม่ได้หมายถึงปกติจําชื่อท่านไม่ได้ก็เลยกราบถามท่านท่านว่าชื่อท่านคือท้ากรเรปันข้าพเจ้าไม่แน่ใจถามท่านว่าอะไรนะเจ้าคะท่านบอกกุเรปันแล้วก็ยิ้มยิ้มข้าพเจ้าก็เลยกราบลาท่านแล้วก็ถอยออกมากราบท่านว่าถ้าหนูทำผิดอะไรผิดพลาดไปขอท่านทั้งสี่อภัยและเตือนด้วย ที่ท่านที่องค์ยืนซ้ายสุดที่ช่วยท้ากลียปันท่านว่าเออมันรู้จักฝากเนื้อฝากตัววันนี้เห็นเพื่อนนางฟ้าองค์นั้นที่ชื่อดาราวดีเธอทักว่าเป็นไงจ้าเธอหายไปขึ้นมาให้เห็นเมื่อเพื่อนคาดไหมคือเมื่อจะล้มตัวลงนอนเห็นใบหน้านึ่งชัดเจนด้วยว่าไม่ใช่ท่านแม่พอนึพกพกจิตก็บอกว่าเป็นดาราวดี แต่ง่วงนอนไปสักก่อนก็เลยหลับไปท่านว่าฝากความคิดถึงไปถึงเพื่อนๆฉันด้วยนะเพื่อนเธอนั่นแหละเลยถามท่านว่าจะให้บอกใครสักครั้งในเมื่อเพื่อนๆเยอะแยะเธอว่าก็่าเปียกแม่ตุงยจะแต่งด้วยส่วนแม่ติตหนักข้าวหนึงฉันแล้วข้าพเจ้าถามเธอว่าอยู่วันนี้ฟังธรรมบ้างหรือเปล่า เธอว่าบอลแล้วก็ชวนเธอให้มาฟังหลวงพ่อหลวงพ่อจะมาสอนพระกรรมฐานในวันที่ยี่สิบนี้ท่านว่าหลวงพ่อสอนอที่ไหนท่านขึ้นมาข้างบนทุกทีเวลาพวกเธอมานั่งกันท่านก็มาแทบทุกครั้งพวกเรามากันเยอะตามส่งเด็จท่านจะมาตาท่านตู่พระ อ, อิน พอเห็นผิวกายท่านว่าสวยงามแค่ไหนเพราะทุกครั้งไม่ทันสังเกตถ้านได้เห็นแขนข้างขวาเป็นสีขาวอมเหลืองมือท่านไม่เหมือนผู้ชายเลยนิ้วเรียวสวยงามเจ้ามากราบลงตุกตาลท่านว่าเธอน้านะลูกดิ้งดำเขานะเอาอย่างพ่อเขาเรื่องวิทยาอุตสาหะเป็นเลิศมาเที่ยวบนนี้ได้ประโยชน์ทิปั์ชนายานจะกล้าขึ้น ใช้ปัญญาพิจรารณาตามไปนะล้ว น, นะพูดจบท่านก็โยนดอกบัวมาให้รู้ว่าท่านให้พิจรารณาแบบลูกชายในช่างทองพอบนที่พระของข้าพเจ้าเองก็มีดอกบัวเหี่ยวๆอยู่ดอกหนึ่งท่านเทพที่ว่าได้รับบัญชามาให้ส่งให้ข้าพเจ้ า, าเมื่อเดินที่แล้วจึงเก็บไว้บนที่บูชายอย่างนั้นอันนี้ท่านมาเตือนให้เอาใช้เป็นเครื่องพิจรารณาได้อย่างดี เมื่อกราบท่านย่าใหญ่ท่านว่าย่าไม่ต้องการให้กลัวเลิกกลัวได้แล้วท่านดึงมือให้มากราบบนตักข้าพเจ้าได้ทีลยกอดเอวท่านไว้ตอนนั้นหายกลัวเป็นปึกทิ้งเลยท่านว่าหลานย่าไม่เสียหรอกอย่ากังวลใจทําตามพ่อท่านสอนน ล, ลูกนะอยา่าฝืนคําสั่งแล้วก็ดืยอย้อหรือมากเหมือนกันข้าพเจ้ามากราบหลงพ่อ ท่านยิ้มเกือบจะหัวเราะรู้สึกท่านใจดีเป็นพิเศษท่านว่าทําเป็นตัวท่านโดยวเขกขบาลให้หรอกฉันถามอะไรก็ตอบไปเลยทำมาอึ ก, อ, กอักจะไปท่านการอะไรแต่มันยังไม่หายด้วยเรื่องที่จะบันทึกต่อไปเป็นความสงแฆงใจของข้าพเจ้าอยากจะขอท่านทดสอบเกี่ยวกับความรู้สึกบนแดนพิภพาน แต่จะเล่าไปเรื่องมันคงยาวจึงขอบันทึกในเทปหน้าต่อไป